ทรงห้ามโมฆวัตตามแบบอย่างเดียระธีภิกษุทั้งหลายฉนโมฆะบุรุษพวกนี้จึงได้สมาทานโมฆะวัตที่พวกเดีระธีถือปฏิบัติกันการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เริ่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนี่แล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึง สมาทานโมควัตที่พวกเดรธีถือปฏิบัติกันรูปใดสมาทานปฏิบัติต้องอวดทุกกฎ